ฉลาดพรานท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านต้งรลาย มีเวลาว่างจกภารกิตการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิต จ, จิตใจซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้และประโยชน์ที่ชีวิต จ, จิตใจจะพึงจะได้รับเพื่อเกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ชาวพุทธเราไม่ค่อยได้สนใจกับการศึกษาพระธรรมคำสอนเท่าที่ควร ยงรู้แต่เพียงการทำบุญให้ทางอย่างเดียวส่วนเรื่องการรักษาศีลเรื่องการภาวนาการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาเจาริญวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักกันไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้รับกับอานิสงส์รับกับผลที่ ยิ่งใหญ่มากกว่าการทำบุญให้ทานหลายหมื่นหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาให้กับการศึกษาเราไม่เคยศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเลยว่าเกิดมาด้วยอะไรพระพุทธศาสนานี้เกิดมาจากการบัมเพน ของพระพุทธเจ้าทั้งสามส่วนคือการบำเพ็ญทานการบำเพ็ญศีลและการบำเพ็ญภาวนาในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงทมทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทรงสละพระราชสมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวารความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกาย ให้แก่ผู้ไปหมดสิ้นไม่ได้เก็บเอาอะไรไว้สำหรับตนเองเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่แก่กล้าที่ทรงเห็นถึงความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมบัติในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายในลาบในยศในสรรเสริญ น, นั่นเองต่างกับพวกเรา ที่ยังมองไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในลาบยศสารเสริญในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพวกเราจึงไม่มีปัญญาที่แหลมคมพอที่จะตัดอุปะทานความยึดติดอยู่กับลาบยศสรเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย เพราะคิดว่าถ้าไม่มีความสุขเหล่านี้แล้วชีวิตจะมีแต่ความทุกข์นี่เป็นเพราะอำนาจของความหลงที่ครอบงำจิตใจทําให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าความสุขทางโลกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่แท้จริง าหารู้ไหมว่าเป็นเหมือนกับกับดักที่จะล่อสัตว์ที่ไม่ฉลาดคือจิตของปุถุชนให้เข้าไปอยู่ในกับให้ไปติดกับของความทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากการพัดพลาดจากสิ่งที่รับและเกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา นี่คือสิ่งที่รอพวกเราอยู่ถ้าพวกเรายังยึดติดอยู่กับลาบยศสรเสริญสุขจะต้องเจอกับความทุกข์ที่จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาแก่แล้วก็จะมีความทุกข์เพราะไม่สามารถไปแสวงหาราบยศสรเสริญสุขอย่างที่เคยแสวงหาได้ และเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายจะต้องพัดถ่าจากลาบยศสารเสญสุขไปก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจขึ้นไปใหญ่เพียงแต่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะเราไม่มีตัญญาที่จะ ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเราเรายังยึดยังติดยังพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกับคนเึ่งยาเสพติดทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดํารงชีพเลยไม่มีความจำเป็นต่อความสุขของจิตใจเลยแต่เป็นความทุกข์กับจิตใจมากมายใหญ่หลวงแต่ก็ไม่มีปัญญา ที่จะเห็นความทุกข์แบบนี้จึงไม่กล้าที่จะตัดไม่กล้าที่จะละเพราะเวลาที่ตัดนั้นเวลาที่ละนั้นจะทุกข์ทรมานใจแต่เป็นความทุกข์ทรมานใจเพียงชั่วคราวเหมือนกับเวลาที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปให้หมอรักษาพยาบาลหมอบอกว่าจะต้องทําการผ่าตัดจะต้องเจ็บปวดบ้าง เป็นธรรมดาแต่เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโรคปัยไข้เจ็บหายไปแล้วก็จะไม่มีความเจ็บปวดนงเหลืออยู่เลยแต่ถ้าไม่รักษาไม่ผ่าตัดก็จะต้องเจ็บต้องปวดอยู่ไปจนถึงเวลาตายนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเรายังไม่ตัดยังไม่ละ ก, กับการสแสวงหากับการยึดติดอยู่กับ ความสุขทางโลกคือความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางสุขจากการได้ราบยศสารเสริญมาเป็นสมบัติครอบครองพอเราก็จะอยู่แต่อยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังถาวรไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนมันมีมามีไป ได้ตลอดเวลาไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้อยู่กับตนไปได้ตลอดแล้วถ้ามีความยึดติดก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจเพียงแต่ได้ยินว่าเศรษฐกิจไม่ดีแค่นี้ก็ทำให้จิตใจไม่สบายแล้วเพราะหมายความว่ารายได้จะตกต่ำรายได้ที่เคยได้มากเท่าไหร่ก็จะไม่ได้มากเท่าที่ควร เพียงเท่านี้ก็เกิดความไม่สบายใจแล้วทั้งๆ ท, ที่เงินทองก็มีอยู่เหลือเฟือพอกินพอใช้ไม่อัตคัดขัดสมแต่อย่างใดแต่อำนาจของความโลภที่อยากจะได้มากๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงทำให้เกิดมีความรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็เืมคิดไปว่า ต่อไปตอให้ได้มามากน้อยเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ตายไปก็จะต้องทิ้งไปหมดเอาติดตัวไปไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เพียงสมบัติเข้าของเงินทองเลยแม้แต่ร่างกายที่เป็นที่รักที่สุดของจิตใจก็ไม่สามารถเอาไปได้เอาไปได้แต่กุศลหรือบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้เท่านั้น ถ้าไม่ได้ทำกุศลเลยมัวแต่ทำบาปเนื่องจากต้องทำมาหากินหรือแสวงหาราบยศสารเสริญสุขก็จะมีบาปติดตัวไปเพราะเวลาอยากจะได้อะไรมากๆถ้าได้ด้วยความสุจริตไม่ได้ก็จะต้องทำด้วยวิธีทุจริตถ้าต้องโกหกก็ยอนยินดีที่จะโกหก ถ้าต้องโกงก็ยินดีที่จะต้องโกงการกระทาเหล่านี้ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไกรก็ตามก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้มานี้ไม่มีคุณค่าอะไรแต่สิ่งที่เสียไปนี้มีคุณค่ามากศีลธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้เพราะทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่สามารถเป็นตัวรับประกันหรือเป็นตัวที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในสุคติได้คือไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีแต่ศีลธรรมนี่แหละจะเป็นหลักประกันเป็นเหตุ ที่จะส่งให้เราได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนถ้าเราสามารถรักษาศีลธรรมได้อยู่อย่างตลอดเวลาอย่างพระโสดาบันเป็นต้นพระโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นจิตใจของท่านนอกจากเห็นร่างกายแล้วเห็นดวงจิตดวงใจดวงนี้ว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปจะต้องไปเกิดใหม่ และจะไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่ทำไว้ถ้าเป็นอำนาจของบาปส่งไปก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไปตกนรกเป็นต้นถ้าบุญสูงไปก็จะไปสู่สุขติเมื่อท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงถาวร ตอให้อยากได้อะไรมากน้อยเพีนนยงไรก็ตามก็จะไม่ยอมทาผิดศีลผิดธรรมถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าสิ่งที่ได้มามันเพียงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเล็กๆน้อยๆสำหรับความหลงคือขอ ง, ของกิเลสเท่านั้นเองแต่กับจิตใจมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่เนื่องจากยังไม่มีปัญญา พอที่จะตัดความโลภความอยากได้แต่อย่างน้อยก็มีปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าอยากจะได้อะไรมาก็ขอให้หามาด้วยวิธีที่ถูกศีลทำไม่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่ได้มาด้วยการฆ่าผู้อื่นไม่ได้มาด้วยการลักทรัพย์ไม่ได้มาด้วยการประพฤติผิดประเวณีไม่ได้มาด้วยการพูดปดมดเท็จ ไม่ได้มาด้วยการเสพสุรายามา้วยเหตุ น, นี้พระโสดาบันจึงไม่มีบาปที่จะส่งให้ท่านไปเกิดอีกต่อไปไปเกิดในอาบายอีกต่อไปเพราะท่านมีศีลอยู่ครบถ้วนตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแม้จะต้องเสียชีวิตไปก็จะยินดีที่จะเสียถ้า ถ้าจะให้อยู่ด้วยการทำผิดศีลผิดธรรมก็จะไม่ยินดีเช่นถ้าอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารยอมอยู่แบบอดอยากขาดแคลนไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ยินดีที่จะตายเพราะถือว่า ความตายนี้เป็นเรื่องปกติท่านเห็นความตายอยู่ในใจตลอดเวลาเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครพ้นความตายไปได้ความตายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้าใจปล่อยวางร่างกายแล้วความตายนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเหมือนกับเวลาที่คนอื่นตาย ใจของเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้ไปผูกติดไว้กับร่างกายของคนอื่นเราไม่ได้ไปยืดไปติดกับเขาไม่ได้อยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปเขาอยู่ก็ดีเขาไปก็ดีเพราะเราไม่มีความผูกพันต่อกันแต่ถ้าเราใจของเราไปมีความผูกพันต่อร่างกายของใครก็ตาม ถึงแม้จะไม่ใช่ร่างกายของเราถ้าเราม่มีความผูกพันเช่นไปมีความผูกพันกับร่างกายของบิดามารดากับสามีกับภรรยากับบุตรกับธิดา่าพอร่างกายของเขาต้องตายไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเราก็จะทุกข์วุ่นวายใจเพราะอะไรเพราะเราไปหลงยึดติดกับร่างกายของเขา พอหลงแล้วก็อยากจะให้ร่างกายของเขาอยู่ไปนานๆแต่มันเป็นความที่เืนกับความจริงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันตายไม่มีทางเป็นไปได้แต่พวกเรากลับมองไม่เห็นความจริงอันนี้ทุกครั้งที่คิดถึงความตายก็เกิดความตนก เกิดความตื่นเต้นเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นเป็นเพราะใจของเราถูกอานาจของความหลงครอบงาหลอกให้เราอยากอยู่ไปตลอดหลอกให้เราไม่อยากตายนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราถูกความหลงหลอกเมื่อหลอกให้มีความอยากอยู่ไปนานๆแล้ว มันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทุกครั้งที่คิดถึงความตายทุกครั้งที่เห็นคนตายมั น, นมันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุกข์เลยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลา ว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อแล้วเราจะทำใจได้เมื่อเราทำใจได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อน กับความเป็นไปของร่างกายไม่ว่าจะแก่ก็ดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือจะตายก็ดีจะไม่เป็นปัญหากับร่างกายของเราก็ดีของคนที่เรารู้จักก็ดีเพราะเรายอมรับเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่โจนมุมไม่มีทางที่จะหนีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้แล้ว ก็ยอมรับยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษนี่คือเรื่องของใจของเราเราอย่าปล่อยให้มันถูกความหลงหลอกเราเมื่อหลอกเราแล้วเราจะลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายเราจะทำให้เราวุ่นวายกับการแสวงหาสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ แต่เป็นโทษกับจิตใจแต่ถ้าเราลำาลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้เราหายความจากความหลงที่อยากจะได้สิ่งต่างๆที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจคือลาบยศสรรเสริญสุขที่ไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ เราจะเริ่มให้ความสนใจให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจที่สามารถเอาติดไปกับใจได้หลังจากที่ตายไปแล้วคนถ้าเห็นความตายแล้วจะหมั่นขยันทาบุญให้ทานจะหมั่นรักษาศีลจะหมั่นปฏิบัติธรรมจะหมั่นนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาเพราะเห็นแล้วว่า ไม่มีอะไรที่จะมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปนอกจากผลที่เกิดจากการทําบุญให้ทางผลที่เกิดจากการรักษาศีลผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิผลที่เกิดจากการเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมเพราะ การกระทำเหล่านี้นำมาซึ่งความสงบสุขของจิตใจนั่นเองเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจไม่สามารถเข้าไปรบกวนจิตใจได้เพราะขณะที่จิตใจสงบนั้นจิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกจิตใจจิตใจรวมตัวเข้าสู่ภายในใจเหมือนกับ เราอยู่ในห้องปรับอากาศที่เย็นสบายภายนอกจะมีความร้อนมากน้อยเพียงไรความร้อนก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในห้องปรับอากาศได้เราก็จะอยู่อย่างเย็นสบายไม่ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่อยู่ภายนอกห้องผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ จะเหมือนผู้ที่อยู่ในห้องปแปรปกาศจิตใจจะมีความเย็นมีความสบายอยู่ตลอดเวลาต่างกับผู้ที่ไม่ทาบุญไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมจิตใจจะมีแต่ความร้อนมีแต่ความเครียดมีแต่ความเกรียดมีแต่ความโกรธอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อลองไปดูประเทศไปดูคนที่เขาร่ำรวย เขาจะไม่ค่อยมีความสุขทางด้านจิตใจ เ, เขามีเงินมีทองมากมายมีบ้านสวยมีรถยนต์ราคาแพงๆมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่มีของใช้แพงๆไว้ใช้แต่จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีความโกรธง่ายหงุดหงิดง่า ย, ายลำคาญใจง่ายใครพูดอะไรใครทาอะไรไม่ถูกใจเพียงนิดเดียวก็จะเกิดความโกรธ ขึ้นมา ท, ทันทีเพราะเขาไม่เคยสร้างความสงบให้แก่ใจด้วยการทำบุญให้ทานเขาทำบุญให้ทานไม่ได้เพราะเขาถูกอำนาจของความอยากความเห็นแก่ตัวไม่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะสละของสละสมบัติให้แก่ผู้อื่นเพราะในแต่ละวันในแต่ละเวลา ในแต่ละวินาทีจิตใจของเขาคิดแต่จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงความสุขให้กับเขาเขาก็เลยไม่ค่อยคิดที่จะอยากจะทาบุญเขากลับเห็นว่าการทาบุญนี้เป็นเรื่องงมงายเพราะว่าถูกสอนแบบไม่ถูกนั่นเองคือสอนว่าทาบุญแล้วจะไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น หรือทาบุญแล้วจะร่ำรวยเวลาเกิดมาในภพหน้าชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการพิสูจน์สำหรับคนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีปันไม่มีธรมมธรมะความจริงควรจะสอนเขาว่าการทาบุญคือการช่วยเหลือผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นนี้ทำให้จิตใจของเรามีความสุขทาให้จิตใจของเราเย็นสบาย มีความอิ่มใจมีความพอใจมีความภูมิใจแล้วจะทำให้ความโกรธความโลภความหงุดหงิดภายในใจนี้เบาบางลงไปจิตใจจะมีความสงบเย็นในระดับหนึ่งมีความมั่นคงไม่ค่อยที่จะฉุนเฉียวหรือเกิดความโกรธขึ้นได้ง่าย เพราะจิตใจมีความเย็นหล่อเลี้ยงอยู่นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ทำกับคนที่ทำคนที่ไม่ทํานี้ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็จะเป็นเหมือนกันหมดจิตใจจะมีแต่ความโลภโมโทสันจิตใจจะเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดอยู่ตลอดเวลา ต่างกับคนที่ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆจิตใจจะมีความเย็นจะมีความสบายจะรู้จะจะิตจะไม่ค่อยโกรธง่ายๆและจะให้อภัยได้เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมากระทบกับตนเพราะเห็นว่าความโกรธนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจสู้การรักษาความสงบ ของใจด้วยการให้อภัยไม่ได้เมื่อให้อภัยได้แล้วใจจะรู้สึกเย็นสบายสิ่งที่เขาทำให้เราโกรธสิ่งที่เขาพูดแล้วทำให้เราโกรธมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วจะมัวมาโกรธกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นเหมือนกับการเอาค้อนมาทุบศรีรษะตนเองนั่นเอง เวลาใครพูดอะไรไม่ดีก็เอาค้อนมาทุบศีรษะตัวเราเวลาใครทำอะไรไม่ดีเราก็เอาค้อนมาทุบศีรษะเราทาไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาคนเขาพูดหรือทำอะไรไม่ถูกออกถูกใจไปโกรธเขาทาไมเวลาโกรธใครเจ็บเขาเจ็บหรือเราเจ็บใครทรมานเขาทรมานหรือเราทรมานเราไม่มองกัน เราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราโดยใช่เหตุนี่คือปัญหาของพวกเราเพราะเราไม่ค่อยสนใจกับการศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเราจึงไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจของเราเรารู้แต่วิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณมีประโยชน์กับการรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ปราศ จ, จากความทุกข์จึงควรฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังสักหนึ่งครั้งเพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัต วันธรรมวันธรรมะสวัสให้แก่พุทธศาสนิกชนก็คือวันพระนี่แหละเรียกว่าวันธรรมะสวัสวันฟังธรรมถ้าไม่ฟังธรรมเลยจิตใจของเราจะลุ่มหลงอยู่กับความโลภความอยากอยู่กับความโกรธอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้หยุดซักวันหนึ่งจากการสแสวงหาความโลภ ความโกรธความหลงแล้วมาสแสวงหาธรรมะหาความสงบสุขทางด้านจิตใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมเมื่อรู้แล้วว่าท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็นํเอาไปปฏิบัติต่อผลที่ดีก็คือความสงบสุขของจิตใจก็จะเป็นผลตามมาเราก็จะได้สิ่งที่เป็นสิรมิมงคลดังใน มงคลละสูตรที่พระ อ, องค์ทรงตรัส ว, ว่ากาเลนะธรรมะสวนณัมเอตัมมังกลมุตตมังการได้ยินได้ฟังรำ ต, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตมงคลก็แปลว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความเจริญอย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราจะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อย จากปุถุชนก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนไปถึงขั้นพระอรหันต์ถึงขั้นพระพุทธเจ้าเกิดจากการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมในเรื่องต้นนี้เองเพราะเมื่อเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะพัฒนาความสุขพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้นไปตามลําดับนั่นเองนี่คือความเป็นมงคลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ําเสมออา น, นิสงส์ที่จะเกิดจากการฟังธรรมก็มีอยู่หประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังใหม่อีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป 3. จะขจัดความสงสัยภายในใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบมีความสุขนี่คือผลที่จะเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจึงควรฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ถ้าฟังได้มากยิ่งกว่าวัน อ, อาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้ยิ่งดีเช่น ฟ, ฟังทุกวันเลยเช่นก่อนนอนก็เปิดธรรมะฟังนั่งสมาธิไปนั่งขัดสมาธิฟังธรรมะไปเอาเสียงแห่งธรรมนี้มาเป็นอารมณ์กล่องใจหรือจะพิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาตามก็จะเกิดปัญญา ก่อความเห็นที่ถูกต้องถ้าใช้เสียงเป็นเครื่องกล่อมใจจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าการนั่งบริกรรมพุทโธตามลาพังหรือดูลมหายใจเข้าออกเพราะการฟังธรรมนี่เสียงนี่แหละจะเป็นอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบได้เสียงแห่งธรรมเป็นเสียงที่สงบเป็นเสียงที่เย็น เป็นเสียงที่สบายดังนั้นเราจึงควรที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาเร้าเรียนเราจะได้รู้อะไรที่เรายังไม่รู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะเป็นเหมือนคนอื่นที่รู้จักเพียงแต่กราบไหว้พระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขออธิษฐานสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้การนทิพนธานี้ไม่สามารถนําเอาสิ่งที่เราปรารถนาได้เพราะมันต้องเกิดจากการกระทําตามคําสอนของพพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้พวกเราจงให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติขอให้เราหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว ความสุขและความเจริญที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัฒนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้ม า, าบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย